มีประตูนฝรั่งเรื่องหนึ่งนะคนพูดถึงนันมากในช่วงสองสามนที่ผ่านมาตอนนี้ก็วายลงแล้วกระตูชื่ออะไร insight out i n s i g h out inside, out, inside, out, inside ะว่าข้างในอาออกมาข้างนอก insight นี่ก็หมายถึงอารมณ์นะตัวอารมณ์ต่างๆกระตู ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวไปในโลกภายนอกนะแต่กระตูตเรื่องนี้เป็นเรื่องของอารมณ์นะตัวตัวตัวเด่นคือตัวอารมณ์นะในใจคนซึ่งมันส่งผลต่อพฤติกรรมของตัวละครนะตัวละครที่เด่นก็คือเด็กผู้หญิงอายุสิบสองขวบ อารมณ์นี้ก็มีห้าอย่างนะห้าตัวด้วยกันนะในกรตูนนี้อันแรกคือความสุขชื่อจอยอันที่สองคือความเศร้านะอันที่สก็คือความกลัวอันที่สี่คือความโกรธอันที่5ก็คือความรังเกียจนะเขาไม่ใช้คาว่าความเกลียดชังนะแต่คงจะให้มันเบา มันเหมาะกับกระตูนก็เลยใช้ว่ารังเกียดนะ์ลังเกียดนี่ก็รวมไปถึงว่าชอบกันแนกกันแห น, นะชอบถากถางตนะัวตัวอารมณ์ทั้งห้าตัวนี้ก็เขาก็เอาบุคลิกของคนใส่เข้าไป อารมณ์บางตัวก็เป็นผู้ชายนะเช่นตัวโกรธนะกับตัวเกลียดตัวโกรธนี่ก็สีแดงๆนะตัวกลัวนี่ก็ผู้ชายสีขาวๆตัวสุขนี่ก็เป็นผู้หญิงร่างเปลือยเปรียวยิ้มแยแ้มนจ่มใสตัวเศร้านี่ก็เป็นผู้หญิงตัวเตี้ยเต้ใส่แว่นนะ เสือ ช, ชาตัวสีน้ำเงินตัวรังเกียจนี่ก็เป็นผู้หญิงไฮโซหน่อยรดสัญยมสูงตัวเขีย ว, ยวแล้วเขาก็จินตนาการในการ์ตูนนะ ว, ว่าห้าตัวเนี่ยมันก็คอยมาบังคับคอยมา สลับกันหรือแย่งกันมาเป็นตัวกดปุ่มปุ่มบังคับนะถ้ากดปุ่มได้ก็จะทําให้อารมณ์ของเด็กหรืออารมณ์คนเปลี่ยนไปเช่นถ้าตัวโกรธมากดปุ่มเนี่ยมันมีแผงอยู่แผงหนึ่งนะมีหลายปุ่มแต่มันมีปุ่ ม, มบังคับปุ่มสําคัญถ้ากดปุ่มนั้น เด็กก็จะแสดงความสีหน้าท่าทางที่โกรธอาจจะพูดหรืออาจจะทำนะในลนักษณะปั้นปึงหรือว่าต่อสู้ต่อต้านแต่ถ้าเป็นตัวตัวสุขนะมากดเด็กก็จะยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็มองอะไรในแง่บวก สามารถจะมีความสุขได้กับทุกอย่างทุกเหตุการณ์อันนี้ก็เป็นเป็นเป็นจินตนาการของคนทำการ์ตูนเรื่องราวก็เป็นเรื่องราวเด็กที่เคยมีความสุขคนะอบอบอุ่นได้ท่องเที่ยวธรรมชาติได้ เล่นได้สนุกสนานแต่พออยุสิบเอสองก็ย้ายเข้ามาในเมืองทุกอย่างาเปลี่ยนแปลงไปบ้านก็เป็นบ้านเหมือนกับคล้ายๆเป็นห้องแถวก็ไม่เชิงนะแต่เรียกแบบบ้านเราเหือนห้องแถวมันไม่มีอนาบริเวณแล้วก็เครื่องคราวอะไรก็ไม่มีเฟอร์นิเจอร์ก็ไม่มีพอรถขนของ มันเกิดหลงทางก็เลยต้องอยู่แบบลำบากอันนี้คนก็ชมนะหนังอันนี้กระตูนเรื่องนี้เพราะมันให้แง่คิดเกี่ยกเรื่องเกี่ยวเรื่องจิตใจคนคนทาการะตูนเขก็ใช้ข้อมูลความรู้ทางจิตวิทยานะเอามาถ่ายทอดให้เป็นตัวการะตูนให้เด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดี แต่ส่วนใหญ่มันก็เป็นเรื่องของตัวละครสองตัวนะที่มันเกิดพัดหลงออกไปจากจากส่วนสำคัญของจิตใจคือไอ้โลกภายในโลกโลกของจิตใจนี่เ็ก็ mm. ก็สร้างเป็นโลกขึ้นมาจิตใจเขาก็สร้างเป็นโลกชนิดหนึ่งขึ้นมา ส่วนสำคัญก็คือศูนย์บัญชาการซึ่งเปรียบได้กับจิตใจคนก็คือส่วนที่มันเป็นเรื่องการเรื่องเหตุผลกับอารมณ์การตัดสินใจนะนั่นมันก็ยังส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญในหนังก็เป็นเร่าศูนย์บัญชาการ แต่ก็มีส่วนอื่นอีกนะเช่นส่วนความจําส่วนจิตไร้สำนึกส่วนคําความฝันแล้วก็ตัวเราความก็ท่องที่ออกไปด้วยเกิดพัดหลงออกมาจากส่วนที่เป็นศูนย์ประชาการก็ไปไปพัดหลงอยู่ในส่วนต่างๆ่าของจิตใจไปเจอส่วนความฝันไปเจอส่วนจิตไร้สํานึกไปเจอส่วนความจำเนี่ย มันก็ทำหน้าที่ต่างๆกันก็จินตนาการก็ก็ บ, บันเจนะิดแล้วก็พยายามทำให้มันแต่ละส่วนนี้น่าสนใจเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของเด็กที่เมื่อเมื่อมีปัญหานะกับบ้านหลังใหม่ก็สุดท้ายก็ตัดสินใจเนียกจากบ้าน แล้วเรื่องก็พยายามทให้มันตื่นเต้นว่าเด็กจะเหนียกจากบ้านได้ไหมเขาว่าท่าเหนียกจา บ, บ้านได้ก็เป็นเรื่องเป็นราวแต่สุดท้ายเด็กก็เปลี่ยนใจกลับมาบ้านด้วยด้วยความรู้สึกเสียใจแล้วก็กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งประเด็นที่ กระตุนี่เขาต้องการบอกก็คือว่าทุกอารมณ์นี้มีประโยชน์คนเนี่ยมักจะเห็นว่ามีแต่ความสุขเท่านั้นแหละนะที่มีประโยชน์หรือว่าอยากได้ความสุขแต่เขาก็ชี้ว่าให้สุขอย่างเดียวนี่มันก็ไม่ดีนะคนที่มีแต่ความสุขคลองใจอย่างเดียวนี่มันไม่ดีมันต้องมีอารมณ์อื่นด้วย แล้วเขาก็ชี่ให้ว่าอารมณ์อืนมีประโยชน์ยังไงเช่นความความกลัวก็ทําให้เราอยู่รอดปลอดภัยนะถ้าให้เราห่างไกลจากอันตรายถ้าไม่มีความกลัวนี้ก็ประมาทนะอาจจะเจอสิ่งที่เป็นอันตรายเข้าไปเต็มๆเมช่นไฟฟ้าดูดอะไรเงี้ยหรือว่าอาหารที่เป็นพิษเนะี่ย ความความรังเกียดนะมันก็มีประโยชน์นะมันทำให้พยายามหนีห่างนะจากสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่มันเป็นโทษนะอันนี้ก็ทำงานคล้ายๆกับความความกลัวแต่ว่าปฏิกิริยาออกมาคนละแบบความกลัวก็เหมือนกันนะมันช่วยทำให้เรารู้จักป้องกันตัวนะ ใครมาทําอะไรไม่ดีกับเราเราก็ต่อสูนะ้หรือว่าตอบโต้ออไปแต่ว่าในเรื่องนี้เขาก็เหมือนกับบอกว่าทําให้คนดูสงสัยว่าเอ้งั้นแล้วความเศร้านี่เกี่ยวอะไรบ้างในเรื่องนี้ทีแรกๆความเศร้านี่มก็ไม่ได้เรื่องเลยนะเป็นตัวสร้างปัญหาความเศร้านี่ไปแตะอะไรเนี่ย ไปแต่ความทรงจำส่วนในส่วนไหนก็กลายเป็นความเศร้าไปเลยความเศร้าตัวเตวไม่มีคุณค่า ต, ตัวละครที่เป็นตัวเศร้านี่ก็จะเหมือนกับเป็นคนที่ไม่เชื่อมันตัวเองทาอะไรก็รู้สึกว่าผิดพลาดเป็นหมดไม่มีเรื่องไม่มีแรงไม่ค่อยกระตือรือร้อนก็เลยเป็นเด็กอ้วนอ้ น, อนเด็กตัวอ้วนอ้วน ที่น่าสงสารแต่สุดท้ายเขาก็ชื่อเห็นว่าไอ้ความเศร้าก็มีประโยชน์นะความเศร้ามีประโยชน์อย่างเช่นในเรื่องเนี่ยเด็กพอเด็กจะเด็กจากบ้านนะเพราะความโกรธนะโกรธพ่อคือมีเรื่องทะเลาะบบาแวงกับพ่อกับแม่เด็กก็เลยประท้วงจนเหนียวเข้บ้าน ไม่ฟังแล้วแถมขโมยเงินขโมยเครดิตการ์ดของแม่นะโอ้ทำความโกรธนี่มันทำให้ทำทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมนะทำชั่วนะพูดง่ายผิดศีลผิดจริยธรรมนะเพียงเพราะเอาใจตัวหรือเพียงเพราะต้องการต่อต้านแต่ว่าพอ เด็กมีพอเด็กแต่เด็กก็เปลี่ยนใจกลับบ้านด้วยความรู้สึกผิดนะความรู้สึกผิดเนะี่ยความรู้สึกความเศร้าเสียใจว่าทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องมันก็เป็นตัวดึงเด็กให้กลับมากลับมาเพื่อที่จะขอโทษพ่อแม่แร้วแล้วก็เล่าว่าทุกอย่างไรบ้างก็ทําให้พ่อแม่นะก็เกิดความเห็นใจเกิดความเข้าใจ เรื่องของเรื่องเรื่องก็คือมันก็เป็นเราก็ทำให้มันตื่นเต้ น, นด้วยการทำให้ความสุขและความเศร้าเนี่ยมันซึ่งเมืจริงๆธรรมชาตินิสัยไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่นยต้องไปคะแน จ, จอ ล, ล้นเล่ด้วยกันนะพัดหลงออกไปจากศนย์ประชาการหรือว่าส่วนที่มันเป็นส่วนจิตสำนึกห ล, ลงเข้าไปใน ส่วนความฝันจิตไร้สานึกส่วนความจําเรื่องรู้จักกันแล้วก็เห็นว่าไอ้ความความสุขเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเนี่ยมันสําคัญที่สุดชั้นอะสำคัญที่สุ ด, นนะส ค, สดคนอื่ไม่สําคัญเท่าชั้นนะอันนี้มันก็สะท้อนความคิดของคนสมัยปัจจุบันที่บอกว่าเนี่ยชีวิตต้องมีความสุขนะต้องมีความสุขอย่างอื่นไม่เอา ไอ้ตัวความสูงมันจะมีลักษณะของความที่ว่าฉันสําคัญไอ้ความเศร้านี่ไม่สําคัญไม่มีประโยชน์เลยเธอทําอะไรก็ไม่ได้แต่เพรากว่าในสุดตอนท้ายนี่ความเศร้าตัวเศร้าเนี่ยก็สามารถจะเปลี่ยนพลิกเปลี่ยนสถานการณ์ได้อย่างที่ว่าคือทําให้เด็กเนี่ยแทนที่จะเตลดเิดเปิดเปลืองไปไกเนี่ยกลับมากลับมา ด้วยความเศร้าเสียใจด้วยความรู้สึกผิดก็ทำให้ตัวซศอ้นี้กลายเป็นมีคุณค่าขึ้นมานะอันนี้ก็เหมือนกับเขาจะบอกให้คนดูรูว่าความเศร้าก็มีประโยชน์นะนะอย่าไปเชื่อมันไร้ประโยชน์มันไส้ติง่งเรื่องการพยายามที่จะพิสูจน์ว่าใครสำคัญกว่าใครเนี่ยนะ ในประตูเรื่องนี้นะตัวห้าตัวเนี่ยเมื่อคงกันนิดมันก็คงมืกันนิดทานนิ้วห้านิ้วนะนิ้วโป้งนิ้วกลางนิ้วชี้ต่างก็แข่งกันว่าใครสําคัญกว่าได้ป่าไปแค่ว่าพอแข่งแข่งกันนี่แหละมันทําให้เกิดเรื่องวุ่นวายพอนิ้วไม่สามัคคีกันแล้วคนนี้บุนแหละหรือว่าเท้าหัวมือแขนต่างทะเลาะกันว่าใครสําคัญกว่ากันพอ ไอ้ไฟที่ถือว่าตัวเองสำคัญก่าก็แก้งไม่ทำงานเนี่ยเทา้าไม่ทำงานเนี่ยร่างกายส่วนต่างๆก็เดือดร้อนอันนี้เราเคยได้ยินนิทานแบบนี้มาในกระตูนก็คล้ายๆกันนะสุดท้ายก็ต้องสามัคคีกันประเด็นที่สำคัญอย่างที่บอกนะคือว่าก็ต้องการบอกว่าคนเราเนี่ยจะไปแสวงหาแต่ความสุขมากแล้วก็ปฏิเสธผักใสความเศร้าความเศร้าก็มีประโยชน์นะ คนที่มีความสุขตลอดเวลานี่มันก็ไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปแล้วก็ทําให้ตัวละครที่เชื่อตัวความสุขเนี่ยมันเป็นตัวที่น่าราคาญนะวุ่นวายตุนจ้านอยู่นะเพราะมันเชื่อว่าสําคัญเนี่ยหลงตัวลืมตนแล้วก็เลยทําให้เกิดปัญหาหลายอย่างอันนี้ก็เป็นแง่คิดที่ดนะีอารมณ์นี่มันก็มีประโยชน์ แต่ประโยชน์ อ, อารมณ์เนี้มันมันมากกว่าที่หนังหรือการ์ตูนมันเขาบอกนะความเศร้าความโกรธความเกลียดเนี่ยมันมีประโยชน์ในทางธรรมด้วยไม่ใช่มีเประโยชนในทางโลกเประยชน์ทางโลกอย่างที่ว่านี่มันทําให้คนเราไม่ยอมคนเราไม่ยอมจำนวนต่อ ต่อการถูกกั บ, ก, บการกลั่นแกล้งต้องโกรธบางคนเราต้องจับโกรธบ้างกลัวมันทําให้ตอบโต้โกลัวมันทําให้เราไม่เข้าหาอันตรายจนเป็นภัยละตัวนั้นเปลี่ยนทั้งโลกนะจะเปลี่ยน์ทางทั้มก็มีนะก็คือมันก็สอนให้เราเห็นดนดีจังทุกขังอัตตา เวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่ว่าบางคนจะเอาแต่ความสงบอย่างเดียวนะไม่เอาความโกรธไม่เอาความเครียดไม่เอาความความฟุ้งนะอย่างนี้การปฏิบัติธรรมก็ไม่ต่ายคนทั่วไปคือต้องการตัวอารมณ์ที่มันเป็นบวกอย่างเดียวถ้าไม่ใช่ความสุขสนุกก็เป็นความสงบนะเจออารมณ์อื่นไม่เอานะถ้ามันเกิดขึ้นในใจเมื่อไหร่ก็ เป็นทุกข์ขึ้นมาทันทีไอ้ความทุกข์เนี่ยไม่ได้เกิดจากอารมณ์เหล่านั้นนะแต่มันเกิดจากการที่ไม่ชอบอารมณ์เหล่านั้นหรือเกิดจากความอยากจะได้อารมณ์ที่มันเป็นบวกไอ้ตัวนี้ต่างหากที่ทให้ทุกข์เพราะว่าพอมันไม่ได้อย่างที่หวังก็เกิดความผิดหวังเกิดความไม่พอใจแต่ถ้าไม่หวังตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยเออมันเกิดขึ้นมาอารมณ์ไม่หวังความสงบ คลันความสงบไม่เกิดขึ้นก็ไม่ได้ทุกอะไรนะหรือว่าถ้าไม่ลังเกียจความฟุ้งซ่านความเครียดความหงมุดหงิดมันเกิดขึ้นเราก็ไม่เดือดร้อนทันะ้ความทุกข์เนี่ยมันเกิดจากความคาดหวังมากกว่าหรือจะเกิดจากความติดยึดเกิดจากความไม่ชอบไม่พอใจหรือว่ายินดีินร้ายนั่นแหละอันนี้ก็ ในทางพุทธศาสนาก็เชื่อเห็นนะว่าทุกข์ก็มีประโยชน์นะเห็นทุกข์เจอทุกข์ก็เห็นธรรมนะเรียงที่เรางพ่อมคิดว่าเนี่ยเห็นทุกข์กับคนทุกข์ทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องรู้นะพระพุทธเจ้าตรัสในอริยสัจสีข้อแรกเนี่ยทุกข์ไม่ใช่สิ่งที่ต้องละนะทุกข์ป็นสิ่งที่ต้องรู้รู้ให้ทั่วถึงนั่นใช่ว่าปริญญาเมื่อเมื่อรู้ทุกข์ก็จะเห็นที่หมางความทุกข์ เป็นสมุดไทยสมุดไทยมันก็จะเผยเห็นเนื่งความช่องทางโอกาสหรือปัจจัยเห็นความไม่ทุกข์อันนี้ก็เป็นในเรื่องความอารมณ์ที่ไม่มีประโยชน์อารมณ์ที่มันเป็นลบนี่ก็มีประโยชน์เรื่องนี้ก็เยียกชี้ก็เตือนคนว่าอย่าไปสรงหาแต่ความ ส, สนุกสนานมากนะเดี๋ยวมันจะเกิดเรื่อง แล้วก็แง่คิดอันหนึ่งก็คือมันทำให้เห็นนะว่าอารมณ์นี้ก็อันหนึ่งนะส่วนอารมณ์เนี่ยมันก็เป็นเป็นคนละส่วนกับจิตใจนะหรือว่าพูดอย่างแบบภาษาธรรมอารมณ์ไม่ใช่เรา ความกลัดไม่ใช่เราอย่างในหนังการ์ตูนเนี่ยความกลัวก็บเด็กตัวเด็กชื่อไรลี่เนี่ยกอารมณ์ก็เป็นคนละอันอนั้นนะความสุขก็ไม่ใช่เราความเศร้าก็ไม่ใช่เราความกลัวก็ไม่ใช่เรามันเป็นหยดเพียงแค่อารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจนะคนคนทั่วไปนี่ก็ไปคิดว่าอารมณ์ทั้งหลายนี่คือเราคือตัวเราของเรา พอมีความดีใจก็คือ้นก็ฉันดีใจพอมีความเศร้าเก็คขอว่าฉันเศร้าที่จริงมันคนละตัวกันมันอยู่ที่ว่าตัวไหนจะมาคลองจิตคองใจได้มากกว่าครนี้ในแง่ของแง่จะเรียกว่าอะไรเป็นข้อสังเกตก็ได้ ก็คือว่าในตัวกระตูนเรื่องนี้มันไม่มีเรื่องตัวความรักความเมตตาเนะี่ยมีแต่ตัวสุขนะเศร้าโกรธเกลียดแล้วก็กลัวแต่ว่าไม่มีตัวเมตตานี่สําคัญมากเลยนะตัวเมตตานีตัวปัญญานี่ก็เหมือนกันนะปัญญานี่ก็เหมือน โอเคปัญญาจะไม่ใช่อารมณ์นะมันเป็นมันเป็นมันเป็นอีกส่วนหนึ่งนะแต่ในส่วนที่เป็นอารมณ์เนี่ยเมตตาความรักอันนี้ก็สําคัญมากความปรารถนาดีมันเป็นตัวที่เรียกว่าเป็นแก่นของความเป็นมนุษย์เลยนะคือคนเราถ้าไม่ไมีเมตตากรุณาเนี่มันก็มันก็ไม่ต่างอย่ากสัตว์นะ ที่จริงสัตว์ก็ยังมีความเมตตากรุณาเลยนะไม่ว่าจะเป็นเมตตากรุณาระหว่างสัตว์พันเดียวกันหรือว่าสัตว์ต่างพันอันนี้ก็มีเดีย๋ยวนี้มีมีวิดีโอคลิปเกี่ยวเรื่องความเมตตาระหว่างสัตว์นี่เยอะมากเมื่อเร็วๆนี้ก็มีคนส่งภาพนะ่ะเด็กเป็นภาพหมาเนี่ยมันคาบคาดเด็กเด็กแบบพึ่งคลอดเลยนะ เด็กตัวแดงๆเลยมันค่าอยู่ในปากนะดูเพลินมันก็มันฆ่าจะไปกินนี่จริงไม่ใช่หรอกหมาไปเจอเด็กในกองขยะไม่รู้คงแม่เน่ยเอาไปทิ้งเอาไว้ในกองขยะแล้วเด็กมันไปคุยขยามก็เจอไอ้หมาไปคุยขยามก็เจอเด็กนะมันฆ่ามันฆ่าไปนะมันฆ่าไปไปให้คนนะมันฆ่าไปให้คน คนนี่มันก็ไม่มันก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันรู้ว่าเนี่ยคนที่คงจะช่วยเด็กได้แล้วก็ปรากฏว่าคนนั้นก็เอาเด็กไปช่วยเด็กให้ปรากฏเด็กไม่ตายเด็กยังมีลมหายใจอยู่เด็กก็เลยรอดตายเข้ามาอันนี้เป็นสัญชยาตญาณของความรักความเป็นแม่ก็ได้นะจริงๆจะพูว่าความเมตตานี่เป็น สุนทรธรรมของคนมันก็ได้แต่ไม่ใช่เป็นแก่นแท้ของคนนะเพราะว่าสัตว์มันก็มีเหมือนกันอันนี้ข้อสังเกตประการที่สองคือว่าอารมณ์พวกนี้เนี่ยดูเหมือนว่ามันต่างคือหนังกระตูนเขไม่ได้บอกเลยนะว่าตัวอารมณ์เหล่านี้นี่มันมันมีที่มาที่ไปอย่างไร ไอนะ้ความสามารถในการคลองจิตคลองใจหรือว่ากดปุ่มบังคับเนี่ยมันก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ตั ว, ตวไหนนะมีช่องมีโอกาสมันก็เข้าไปกดปุ่มแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันในความเป็นจริงเนี่ยมันไอ้ตัวไหนมันจะมาคลองจิตคลองใจเนี่ยมันก็มีเหตุมีปัจจัยนะ เช่นคนที่คนที่มักโกรธนะคนที่มักโกรธคิดในทางลบเนี่ยมันก็จะโกรธอยู่บ่อยๆหรือผู้อื่นนี่ก็คือความโกรธมันจะครองใจได้ง่ายเนี่ยต่อเมื่อเราให้อาหารมันคนเราถ้าให้อาหารความโกรธความโกรธก็จะมีเรี่ยวแรงถ้าให้อาหารความเกลียดความเกลียดก็จะมีเรี่ยวแรงหรือว่าถ้าให้อาหารความเศร้าวความโศกความเศร้าก็จะมีกําลังในการเข้าไปกดปุ่ม คือมันอารมณ์ไหนมันจะมันจะเข้ามากดปุ่มหรือคลองใจคนด้านนี่มันก็ต้องมีเหตุมีปัจจัยคือได้รับการส่งเสริมไปในทางนั้นไม่ใช่ว่าอยู่ดีมันจะมันจะมาคลองใจเราได้นมันต้องมีตัวตัวช่วยตัวหรือมีอาหารหล่อเลี้ยงอย่างเช่นใน อถ้าเกิดว่าเด็กคนนี้เนี่ยมันได้ยินได้ฟังแต่ได้ดูดูแต่หนังดูแต่หนังที่มีการฆ่ากันนะหรือว่าเล่นวิดีโอเกมที่มีแต่การยิงกันทำร้ายกันเนี่ยมันก็ไปเพิ่มกําลังให้กับตัวโกรธนะอันนี้ก็เออดูมีเหตุมีผลแต่ว่าในกระตูวนี่มันมันไม่มีส่วนนี้มันก็แล้วแต่ว่า อารมณ์ตัวไหนมันได้มันได้ช่องมันก็ไปกดปุ่มนะการเป็นเรื่องของความสามารถเฉพาะตัวที่ไม่มีที่มาที่ไปแต่คข้อสังเกตหนึ่งนะคือตัวโกรธเนี่ยนะในเรื่องเนี่ยก็จะเห็นมันมันอ่านหนัสอพิมพ์อยู่ตลอดเวลาเลยนะมันให้มันอ่านหนังสือพิมพ์อยู่บ่อยๆเลยนะเหมือนกับว่าเดี๋ยวนี้สื่อเนี่ยมันมีแต่สื่อนี่มันเหมือนกับเป็น สิ่งที่กระตุ้นความโกรธยิ่งอ่านซื้อยิ่งอานซืออ้อปีมัธยลาก็ยิ่งมีความโกรธมากเท่านั้นความไม่พอใจคือถ้าท่านท่านหนังนี่กระตุ้นมันชื่อเห็นว่า อ, อารมณ์แต่ละตัวเนี่ยนะมันมันก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของเด็กด้วยนะไม่ใช่ว่ามันเป็นตัวควบคุมพฤติกรรมเด็กอย่างเดียวพฤติกรรมของเด็กก็มีส่วนไปไปปรุงแต่งอารมณ์นั้นด้วย มันก็จะเห็นถึงความสัมพันธ์ที่ต่างเป็นเหตุเป็นผลของกันและกันความกลัวก็ไปกําหนดพฤติกรรมของมนุษย์ส่วนพฤติกรรมของมนุษย์ก็สามารถจะไปกําหนดตัวอารมณ์ได้เช่นถ้าเด็กเนี่ยนะเห็นตัวอย่างคนที่ช่วยเหลือเ อ, อื้อเฟื้อเกือ้อกูลกันนะมันก็ไปทําให้ตัวโกรนเนี่ยค่อยๆเหี่ยวแห้งลงน พอมีความรักมาแทนที่ประการที่การสังเกตประกรต่อมาคือว่ามันในเรื่องนี้ก็ตัวอารมณ์นี่มันไปตัวมันเป็นตัวกาหนดจิตใจอย่างเดียวเลยนะสุดท้ายแล้วมันมันสามารถสั่งจิตได้อารมณ์เนี่ยแต่ที่จริงอารมณ์เนี่ยแต่ที่จริงจิตเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นเป็นท่ายของอารมณ์อย่างเดียวนะ จิตนี่มันสามารถจะเป็นอิสระจากอารมณ์ได้ด้วยหรือว่าจิตมันก็สามารถที่จะมาตอบโต้กับอารมณ์ได้ด้วยอย่างเวลาเรามีความความโกรธความเกลียดเนี่ยนะบางทีมันก็มีไม่ใช่ว่าความโกรธความเกลียดมันจะคองจเรได้เสมอไปนะเรามีความสามารถที่จะไม่ให้ความโกรธความเกลียดเข้ามาครอบงำได้ จิตมันก็มีความสามารถในการที่จะรับมือกับความกลัความเกลียดหรืออารมณ์เศรา้าไม่ใช่ว่าจะจะถูกกระทําด้วยอารมณ์เหล่านี้อย่างเดียวเช่นเวลาเราโกรธนะเราก็เราก็ไม่ยอมทําตามมันเราก็มีตัวอื่นมาช่วยเช่นตัวอดทนขันติหรือเรามีตัวเมตตานะเราโกรธเราก็พยายามแผ่เมตตาก็าหายโกรธ จิตใจมันก็มีมันก็มีวิธีการในการที่จะรับมือกับความกับอารมณ์บางตัวหรืออารมณ์ตัวอื่นได้เหมือนกันไม่ใช่ว่าอารมณ์มันจะสั่งจิตได้อย่างเดียวนะจิตก็สามารถที่จะสั่งอารมณ์หรือว่าสู้กับอารมณ์ตอบโต้กับอารมณ์ได้ฉะนั้นวิธีหนึ่งที่จะใช้รับมืออารมณ์คือการมีสติเนะี่ยมีสติ รู้ทันอารมณ์ถ้าเรารู้ทันอารมณ์เนี่ยนะอารมณ์มันก็คลองจิตคลองใจไม่ได้หรือคลองใจได้ยากนะเดี๋ยวเรากดแล้วเราลุกตัวขึ้นมาความโกรธนี่มันก็มันก็หลุดไปเลยไม่ไม่ใช่ว่ามันจะเข้ามาคลองจิตคลองใจหรือเข้ามากดปุ่มสั่งให้จิตทําสั่งให้จิตเป็นเมนื่นเป็นนี่หรือสั่งให้คนทำโน่นทํานี่ตามอารมณ์เสมอไปก็ไม่ใช่ คนเรานี้นอกจากสามารถทำสร้างสามารถจะทำพฤติกรรมที่ส่งผลต่ออารมณ์แล้วเนี่ยคนเรายังสามารถที่จะรับมือกับอารมณ์ไม่ให้มันมาคลองจิตครองใจได้เช่นการมีสติเนี่ยสติพระเจ้าเปลี่ยนมันก็ว่าเป็นเป็น เป็นยามเฝ้าประตูเมืองนะในความกลัวมันก็สิ่งแปลกปลอมจะเข้ามาในเมืองสติก็ไม่ให้เข้าความเศร้าความเกลียดมันจะเข้ามาในเมืองไปกรอบกวนเมืองสติก็ไม่ให้เข้าได้ถ้าสติเข้มแข็งนี่ถ้ามันมีถ้านในประตูเนี่ยมันมีตัว เมื่อตัวเมตตามีตัวสตินะที่ทำให้รู้ทันอารมณ์ที่ทำให้อารมณ์นี้ไม่สามารถจะมาครอบจิตครองใจได้มันก็จะทำให้ทาให้คนได้แง่คิดนะเพิ่มขึ้นซึ่งประเด็นนี้เนี่ย้ฝรั่งก็เห็นความสำคัญสติมากนะการฝึกสตินี่เป็นเรื่องที่นิยมปฏิบัติกันนะทั้งใน ทั้งในสถานปฏิบัติธรรมแล้วก็ในที่ในที่ทำงานออฟฟิศต่างๆโอเครู้ว่าเมื่อมันมีสติแล้วเนี่ยไอ้ความเครียดความหงุดหงิดต่างๆก็จะเข้ามาครอบข้อบงำจิตใจไม่ได้ความกลัวความเศร้าความรู้สึกผิดนะมันมีประโยชน์ก็จริงแต่ว่าถ้าใช้มันให้ถูกก็ดีแต่ถ้าไม่มีสติสักอย่างนี่มันก็สามารถจะกลายเป็นโทษได้ แต่ว่าโดยรวมนี่ก็ถือว่ามันก็ไอ์กระตูนนี่ก็ให้ง่ายคิดที่ดีนะไม่ไม่คนเนี่ยจะไปคิดแต่ว่าจะหาความสุขอย่างเดียวให้ยอมรับอารมณ์อื่นด้วยนะยอมรับในแง่ที่ว่ามันมีประโยชน์นะแล้วก็แต่ว่าเขายังไม่ได้อ่า บอกว่าประโยชน์อย่างหนึ่งนะที่จะเกิดจากอารมณ์คือการมีสติเฝ้าดูมันมีสติเฝ้าดูมันหรือมีสติใช้มันนะถ้าอารมณ์มันใช้เรานี้เสร็จเลยนะแต่ถ้าเราใช้อารมณ์นี้นะมันจะเกิดประโยชน์มากท่้งในทางโลกและทางธรรมก็ก็เล่าสู่กันฟังท่านี้นะชานนี่กลับพัง